สิกขาบทวิพังพิกษณีพึงครองอัตราวศกให้เรียบร้อยขนุ่งปิดบริเวณสะดือบริเวณเขาพิกษณีใดไม่เอื้อเฟื้อครองอัตราวาศกย้อยข้างหน้าหรือข้างหลังต้องอบัตทุกกด